ตั้งใจฟังธรรมเทศนาให้ดี ส, ดสุดสังและประเทปัญญาผู้ฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาฟังดีน่คือหมายความว่าตั้งใจสงบทำใจองใจของเราให้มันสงบนิ่งแนว้วอยู่กับที่ จะได้ส่งไปมาหน้ารังในบุ่นวีบุ่นวายสิ่งเหล่าหมดเพราะเวลานี่เราตั้งใจฟังธรรมเรื่องกิจการหาหงนานนื่นเอย่าเพิ่งเอามาเกี่ยวข้องคําว่าตั้งใจฟังในนี่คือว่าฟังด้วยตนเองที่เราฟังด้วยตนเองนั่นหมายความว่าฟังเฉพาะเมื่อจิตอยู่ในที่นั้นน่ะ ไม่ส่งไปในที่อื่นธรรมเทศนาที่ท่านแสดงไปแสดงมากหมายกว้างขวางแต่ว่าเราฟังเฉพาะของเราเราไ่ตรงส่งไปตัก น, นัไปไม่ตามไปฟังธรรมเทศนาท่านนั้นคือว่าเราทําค็สมบอยู่คนเดียว ธรรมเทศนานั้นเราไม่ฟังหรอแต่หากได้ยินมาเข้ามาเองเหรอรกกระกดขึ้นมาในที่นั่นเองสิ่งใดที่เทศนาไปยังไม่ท่านถูกตามรูปายของเราแมนก็ยังไม่เข้าก่อนสิ่งใดถ้าหาก็มันถูกเข้ามาปุ๊บเลยทีเดียว โอ้อันนั้นท่แท้แค่นั้นรู้ขึ้นมาเองอันนี้เรียกว่าฟังเป็นฟังไม่เป็นนะั้นคือค่อยได้จับเอาคําพูดของท่านให้มาเป็นอุบายของเราในอันลักษณะเช่นนั้นนามรวมใจนั้นามรว ม, ม, รวมกระทูเหมือนกันจับเอาคําพูดขวงหารนั้น ไว้สำหรับใจของเราแต่ว่ามันไม่รวมอันนี้เราสังรวมใจเฉพาะเราอย่างเดียวธรรมเทศนาให้ท่านแสดงไปหากจะประากฏขึ้นมาในที่นั้นอันนั้นจำไม่ลืมเมื่อฟังเป็นอย่างนี้ จึงจะเข้ากับรักเทียนนาทิวาฟังเทศได้ความรู้เรื่องดีตอนนี้ไปจะอธิบายเรื่องเรื่องอิธีภาวนาการภาวนาเบื้องตน้นจะต้องักจะต้องให้เห็นใจนใก่อนเสียก่อนเพราะเราจะต้องฝึกหัดใจ ถ้าไม่เห็นใจก็ไม่ทราบจะไัดต้องไหนจิตพึกหัดจิตกำหนดจิตคือว่ามีสติไปกำหนดจิตที่มันคิดมันนึก น, นั่นแหละเอาตอนนั้นจะเห็นให้ก่อนเห็นจิตให้ก่อนอาจจะต้องควบคุมดูแลรักษา ตลอดเวลาคิดนึกสิ่งใดไปเห็นจิตนั่นแหละมันคิดจิตคือผู้คิดจิตคือผูค้คิดผู้ปรุงผู้แต่งผู้ทงสัจแล้วเดือดร้อนเพราะจิตไม่อยู่ไม่ทรงสัจเมื่อคิดในคงสร้าจ เราจะต้องเอาสติโด น, นคุมจิตถ้ามันอยู่ในอำ น, นาจของเราอย่าให้จิตบังคับเราจิตบังคับเราให้วุ่นวายสงสัยเดือดร้อนเพราะนั้นจิตไม่ได้จิตบังคับเราไม่ใช่เราบังคับจิต เมื่อไม่บังคับอย่างนั้นมันก็ทรงตายไม่รู้แล้วล่องเป็นซักทีคิดไม่อยู่ในบังคับของตนสารพัดแต่มันจะทำให้เราเดือดร้อนนูน่วนวายวเศร้าโศกเสียใจรักไค้พอใจยินดีอยากได้น่นอยากใจนี้ ไม่จบไม่สิ้นสักทีของในโลกนี่หากเป็นอยู่อย่างนั้นจิตมันเป็นกามโลกไม่อยู่ในกามภพบไม่อยู่ในกามภูมิจิตมันคอยวิ่งไปตามมันนั้นะในกาเมน่ะทรงส่ายไปอดีตอนาคต วันใดแต่กามาพบกรารมาพูนวันใดแต่กามมาเกลิเรื่องของกรารมาพบกรารมาพูนกรารมาเกลกิไม่ใช่เรื่องธรรมไม่ใช่เรื่องที่จะทำความสงบไม่ให้ใด ไ, ไม่ให้ทําความสงมบให้เดือดร้อนแก่ตนนั่นนะโลกอันนี้มันเป็นอยอย่างนั้น มันจึงไม่สงบสากทีเด๋ยวร้อนวุ่นวายตลอดเวลาเรามาหัดตรงนี้เนีะยหัดกลามาพบที่เราวุ่นวายนี่น้องมาคิดดูคิดสรุปรวมเจ็บวมลองดูการทำมาหากินแต่ร้วนแ่เป็นเรื่องอยาก ปปการอาชีพทุบการเราในแต่แสวงหารเครื่องครบอยากอยากไปอยากไปก็ เ, เลยไปกระทบกระเทือนสิ่งที่คนอื่นปรารถนาของอื่นคนอื่นต้องการอยู่แล้วก็เลยกระทบกันสิ่งที่กระทบกันมามันก็เดือดร้อหาไปเถิดหาแต่ได้ขหาไปเถิด ได้กวสุขหรอแต่ว่าไม่หาก็ไม่ได้เพราะร่างกายอันนี้เป็นของอยู่ในกลามาภูลางมะพรุต้องมีกลางกิเลสหาว่าก็ต้องเดือดร้อนไม่หาก็เดือดร้อนอีก จึงว่าไม่ต้องหาเมื่อเราทำความสงบเราฮัดสมาธิเราต้องการความสงบอบรมให้เป็นสมาธิในคณะที่เราอบมรมนะั่นแะไม่ใช่อยู่เป็นวันเป็นคืนอะไรชั่วคณะหนึ่ง ยี่สิบสามสิบนาทีได้ชัว่วโมงนั้นนะขอให้มันสงบจริงๆนั้นสงบแล้วมันไม่กระทบกระเทือนจริงใดมันจะพ้นพจากกรารมกิเริยากลางความภูมิวมความสุขนะเป็นสิ่งที่เราปรารถนาอย่างยิ่งแต่ว่าเราไม่ทําเราไม่ทําความสงบอย่างนั้น พอทำสมาธิเขาจะวิ่งวุ่นไปตามเรื่อง